บระกสีได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสุขคำว่าเข้าไปคือไปในตระกูลนั้นคําว่าโดยไม่บอกเจ้าของบ้านคือไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านผู้รับผิดชอบในตระกูลนั้นที่ชื่อว่าอาสนะพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงที่สําหรับนั่งผัสสมาธิคําว่านั่งคือนั่งบนอาสนะนั้นต้องบัดบาจิตตี คำว่าหรือนอนคือนอนบนอัสนะนั้นต้องอบัตปาจิตี